ธรรมบทแปลเรื่องที่179เรื่องนางปุณณทาสีข้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ที่เขาคิจกูดทรงปรารพทาสีของเศรษฐีกรุงราชครืชื่อนางปุนาตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าสดาชาคารมานานัง ต, ตอนนางปุณณาถวายขนมรำแด่พระพุทธเจ้าดังได้สดับมาในวันหนึ่งเศรษฐีได้ให้ข้าเปลือกเป็นอันมากแกนางปุณนานั้นเพื่อประโยชน์แก่อันซ้อมนางตามประทีปในกลางคืนซ้อมข้าวเปลือกอยู่มีตัวชุ่มด้วยเหงื่อ จึงได้ไปยืนตากลมอยู่ณภายนอกเพื่อต้องการพักผ่อนในสมัยนั้นพระทัพพะมรบุตรเป็นผู้จัดแจงเสนาสนะเพื่อภิกษุทั้งหลายท่านยังนิ้วมือให้สว่างเพื่อภิกษุทั้งหลายผู้ฟังทำแล้วไปสู่เสนาสนะของตนของตนนิรมิตภิกษุทั้งหลายผู้ไปข้างหน้าข้างหน้า เพื่อประโยชน์แก่การแสดงทางนางปุณณาเห็นภิกษุทั้งหลายผู้เที่ยวไปบนภูเขาด้วยแสงสว่างนั้นจึงคิดว่าเราถูกทุกข์ของตัวเบียดเบียนจึงไม่เข้าถึงความหลับในเวลาแม้นี้ก่อนเพราะเหตุอะไรท่านผู้เริญทั้งหลายจึงไม่หลับดังนี้แล้ว ก็ทาความเข้าใจเอาเองว่าความไม่ผาสุจากจะมีแก่ภิกษุบางรูปหรืออุปัตทวเหตุพระงูจะมีในที่นั้นเป็นแน่แต่เช้าตรู่จึงหยิบรำชุบน้ำให้ชุ่มแล้วทําขนมบนฝ่ามือปิ้งที่ฐานเพลิงห่อไว้ในพกคิดว่าจะกินขนมที่ทางไปสู่ท่าน้ำ จึงถือหม้อเดินบ่ายหน้าไปอย่างท่าน้ำแม้พระสัสดาก็เสด็จดาเนินไปทางนั้นเหมือนกันเพื่อเข้าบ้านนางเห็นพระสัสดาแล้วคิดว่าในวันอื่นๆถึงเมื่อเราพบพระสัสดาทายธรรมของเราก็ไม่มีเมื่อทยธรรมมีเราก็ไม่พบพระสัสดาก็บัดนี้ ไยธรรมของเราก็มีทั้งพระสัสดาก็ปรากฏเฉพาะหน้าถ้าพระองค์ไม่ทรงคิดว่าทานของเราเศร้าหมองหรือประนีตแล้วพึงรับไซ้เราพึงถวายขนมนี้ดังนี้แล้วจึงวางหม้อไว้ณนะสวนข้างหนึ่งถวายบังคมพระสัสดากราบทูลว่า ขอพระองค์จงทรงรับทานอันเศร้าหมองนี้ทาการสงเคราะห์แก่หม่อมฉันเถิดพระเจ้าข่าพระสัสดาทอดพระเนตรดูพระอานนเถระแล้วทรงน้อมบาตรที่เท้ามหาราชถวายไว้อันพระอาณนเถระนําออกถวายรับขนมแม่นางปุญนาวางขนมนั้นลงในบาตรของพระสัสดาแล้ว ถวายบังคมด้วยเบญจางครับประดิษฐ์กราบทูลว่าขอทําที่พระองค์ทรงเห็นแล้วนั่นแหละจงสําเร็จแก่หม่อมฉันเถิดพระเจ้าค่าพระศัสดาประทับยืนอยู่นั่นแหละได้ทรงกระทําอนุโมทนาว่าจงสําเร็จอย่างนั้นตอนพระศัสดาทรงเสวยขนมของนางปุนา แม้นางปุณณาก็คิดว่าพระสัสดาทรงทาการสงเคราะห์แก่เรารับขนมก็จริงถึงกระนั้นพระองค์ก็จะไม่เสวยขนมนั้นคงประทานให้แก่กาหรือสุนัขข้างหน้าเสด็จไปยังพระราชมทียนของพระราชาหรือเรือนของมหาอหมาตย์แล้วจกเสวยโภชนะอันประณีตแน่แท้ ม้พระสัสดาก็ทรงดำริว่านางปุณนานั่นคิดอย่างไรหนอแลทรงทราบวาราจิตของนางแล้วจึงทอดพระเนตรดูพระอานนเถระแล้วทรงแสดงอาการที่จะประทับนั่งพระเถระได้ปูละจีวรถวายพระศัสดาได้ประทับนั่งทําพัตกิจณนะภายนอกพระนครนั่นเอง เทพดาในห้องแห่งจักรวาลทั้งสิน้นบีบโอชารสอันสมควรแก่เทพดาและมนุษย์ทั้งหลายให้เหมือนรวงพึ่งแล้วใส่ลงในขนมนั้นส่วนนางปุณณาได้ยืนแลดูอยู่ในเวลาเสร็จพัตกิจพระเถระได้ถวายน้ำพระสัส ด, สดาทรงทารรพัตกิจเสร็จแล้วตรัสเรียกนางปุณนามา ตรัสว่าปุนาเพราะเหตุไรเจ้าจึงดูหมิ่นสาวกทั้งหลายของเรานางปุนาหม่อมฉันไม่ได้ดูหมิ่นพระเจ้าข้าพระสัสดาเมื่อเป็นเช่นนั้นเจ้าแลดูสาวกทั้งหลายของเราแล้วพูดอย่างไรนางปุนาหม่อมฉันคิดเท่านี้ว่า เราไม่ถึงความหลับก็เพราะอุปัตถวันตรายหรือทุกนี้ก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายไม่เข้าถึงความหลับเพื่ออะไรกันความไม่ผาสุกจกมีแก่ภิกษุบางรูปหรืออุปัตถวันตรายเพราะงูจกมีเป็นแน่พระเจ้าค่าตอนสาวกของพระพุทธเจ้าตื่นเสมอ พระสัสดาทรงสดับคำของนางปุนานั้นแล้วจึงตรัสว่าปุนาเจ้าไม่หลับเพราะอันตรายคือทุกของตัวก่อนส่วนสาวกทั้งหลายของเราไม่หลับเพราะความเป็นผู้ประกอบเนืองๆซึ่งทำเครื่องตื่นอยู่ทุกเมื่อดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าสดายาระมานานัง อโหรั ต, ตานุสิกนังนิบานังอธิมุตตานังอัททั่งกัันติอาสวะอาสวะทั้งหลายของผู้ตื่นอยู่ทุกเมื่อมีปกติตามศึกษาทั้งกลางวันกลางคืนน้อมไปแล้วสู่พระนิพพานย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ตอนแกะอัด บรรดาบทเหล่านั้นบาปพระคาถาว่าอะโหรัตตานุสิกีนางได้แก่ศึกษาไตรสิกขาอยู่ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนบาปพระคาถาว่านิ บ, บานังอธิมุตตานังได้แก่ผู้มีอัธยาศัยในพระนิพพานสองบทว่าอัททั่งกตชันติความว่า อาสวะทั้งหลายแม้ทั้งปวงของผู้เห็นป่านนั้นย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้คือความฉิบหายได้แก่ความไม่มีในการจบเทศนานางปุนายืนอยู่ตามเดิมนั่นเองดำรงอยู่ในโสดาปฏิปบทีแล้วเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทผู้ประชุมกันแล้วตอน ภิกษุพากันสรรเสริญพระสัสดาพระสัสดาครั้นทรงทำพัฒกิจด้วยขนมปิ้งที่ฐานเพลิงซึ่งทำด้วยรำแล้วได้เสด็จไปวิหารภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่าผู้มีอายุทั้งหลายกรรมที่ทำได้ยากอันพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าผู้ทรงธทรรมพัฒกิจ ด้วยขนมปิ้งที่ฐานเพลิงซึ่งทำด้วยรำอันนางปุนาถวายทรงทำแล้วพระสัสดาสเสด็จมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยคาถาอะไรหนอแลเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าด้วยเรื่องชื่อนี้ดังนี้แล้วจึงตรัสว่า ไม่ใช่ในบัดนี้เท่านั้นภิกษุทั้งหลายถึงในการก่อนเราก็บริโภครำที่นางปุณนานี้ให้แล้วเหมือนกันแล้วทรงนำอดีตนิทานมาตรัสกุลทกะสินทวะโปตกะชาดกนี้ให้พิสดารว่าพระโพธิสัตว์เมื่อจะทดลองถามลูกม้าสินทบนั้นจึงกล่าวคาถาที่หนึ่งว่า พุทธวาตินะปริขาสั่งพุทธวาอาจามกุณเดกังเอตันเตโภยจนังอาสิกัสมาดานินพุชสิเจ้ากินยาอันเป็นตนเจ้ากินข้าวตังและรำมาจนโตนี่ได้เป็นอาหารเดิมของเจ้าเพราะเหตุอะไรบัดนี้เจ้าจึงไม่กิน ลูกมาสินทพฟังดังนั้นแล้วจึงได้กล่าวสองคาถานอกนี้ว่ายถะโปสังนญานันติยาติยาวินเยนวาบหุตัถธมาหาบราหเมอปิอาจามกุลดกังตะวันจะโคมังบยานาสิยาดิซ่ายังหายุตโม ญาณันโตญาณมากะมะนะเตภค่ามิกุณดกังในที่ใดชนทั้งหลายไม่รู้จกักสัตว์ผู้ควรเลี้ยงโดยชาติหรือโดยวินัยท่านมหาพรหมเออก็ในที่นั้นมีข้าวตังและรำ ม, มากส่วนท่านแล่ยอมรู้จักข้าพเจ้าดีว่า ม้าเช่นใดนี้เป็นม้าสูงสุดข้าพเจ้ารู้อยู่อาศัยท่านผู้รู้จึงไม่กินรำของท่านดังนี้แลเรื่องนางปุณณธ า, าสีจบ